วันนี้เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาห้าสามวันนี้รู้สึกพี่น้องประชาชนมาจากต่างถิน่นมาจากกรุงเทพก็มีมาเพื่อแสวงบุญแสวงบุญในพรรษาแลวก็วันนี้คณะ ที่ทำเอ็พสามของหลวงพ่อได้เอาเอ3มพสามาให้หลวงพ่อวันนี้เอ3สคงจะครบทั้งยี่สิบสี่แผ่นพร้อมกันแต่ก่อนมากระจัดกระจายทีละแผ่นสองแผ่นไม่ใช่ทีละแผ่นสองแผ่นนะแต่ว่ามามาแต่ละครั้งนะแน่ยแปลว่าแผ่นหนึ่งนี้ก็ประมาณห0าพัน แผ่นสองห้าพันแผ่นสามห้าพันอะไรสักแต่คราวนี้มาทั้งยี่สิบสี่แผ่นแผ่นละพันะแต่ก็คงจะไม่ครบแล้วเพราะแจกในกรุงเทพแจกให้พระที่ไปร่วมงานอไปหลายชุดแล้วแต่ว่าก่อนที่จะแจกผมพ่อก็จะถามก่อนนะต้องการไมามต้องการเราจะแจกให้ถ้าไม่ต้องการ ก็ไม่แจกไม่ให้เพราะว่าไม่ใช่ถึงจะของของฟรีก็จริงอยู่แต่แจกไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรจะเอาไปแต่ถ้าเอาไปแล้วก็ต้องตั้งใจฟังถ้าตั้งใจฟังแล้วหลวงพ่อมั่นใจใน MP3 สของหลวงพ่อที่ได้แสดงธรรมหรือว่าพูดใน MP3 สนั้นหลายรสหลายชาติหลายแนวความคิด ลากลายในแนวความคิดเห็นแต่สรุปลงแล้วก็คือให้เป็นพระที่ดีคณะศรัทธาญาติโยมที่ดีพุทธบริษัทสี่ที่ดีถ้าได้ฟังดูแล้วก็เป็นแนวความคิดเพราะนั้นถ้าว่าผู้ใดตั้งใจฟังก็จะเกิดประโยชน์ถ้าคุยกันซะก่อนยังค่อยฟังไหนะอยาฟังฟังไปแล้วก็เพอเพ อ, เอตำหนิ มนเทพอีกต่างหากคนหนึ่งคุยกันคนหนึ่งฟังมันไม่เข้าใจหรอกเพราะไม่เป็นสมาธิในการฟังถ้าฟังฟังด้วยตั้งใจฟังจะเป็นสมาธิในการฟังแล้วจะเกิดประโยชน์ถ้าว่าไม่เป็นสมาธิในการฟังก็เหมือนกับเปิดให้ขอนสูงฟังอย่างนั้นเหมือนกับท่อนไม้ฟังฟังไปแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์ MP3 ของหลวงพ่อชุดนี้ เมื่อก่อนข้อพันษาบริษัทไทยคิดก็ว่าไทยคิดไทยคมแต่บริษัทไทยคมได้เขียนจดหมายมาถึงหลวงพ่อว่าได้ฟังเอฟพีสามของหลวงพ่อแล้วรู้สึกว่าจะเข้ากับชุมชนสังคมได้และขออนุญาตมาหลวงพ่อก็ให้อนุญาตหลวงพ่อบอกว่าเมื่อพูดไปแล้วถ้าจะเกิด ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มใดหลวงพ่อไม่ขัดข้องแต่ว่าจะทําไปซื้อไปขายหรือตัดตอนออกไปนั้นหลวงพ่อไม่เห็นด้วยไม่อนุญาตแต่ถ้าจะออกไปก็ออกไปเป็นเทศเป็นการไปหลวงพ่อไม่ขัดข้องที่จะเอาประกาศเผยแพร่สู่สาธารณชนแต่ในเขาก็ทําหนังสือขึ้นมาอีกว่า ถ้าหลวงพ่ออนุญาตแล้วก็คงจะทําเป็นสัญญาสัญญาคล้ายๆกับว่ามเมื่อให้ไปแล้วไม่ฟอม้องไม่ร้องไม่อะไรเขาลักษณะอย่างนั้นแหละตามในสัญญาแต่ก็บอกว่าไม่เอาไปซื้อไปขายเพื่อนําไปเป็นสินค้านําไปออกสาธารณชนหลวงพ่อกอนุญาตเซ็นให้เลยเพราะงั้นพราะหลวงพ่อไม่ได้มุ่งหวังอะไรอยู่แล้วไม่ได้คิดค่าตอบแทนอะไรทั้งหมดอีกต่างหาก สิ่งไหนจะจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็เอาเอาไปฟังได้เดยกเขาก็เริ่มออกตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามิถุนานะออกวันที่ย9ิบเก้ามิถุนาบริษัทไทยคมเอ8เอมแดสิบแปดเมกะเฮิร์เปิดฟังดูนะถ้าว่าใครมีจานไทยคมเปิดฟังได้เลยแต่ไม่มีภาพนะมีแต่เสียง แต่มันออกทางโทรทัศน์88เปกฮจะออก24ชั่วโมงแต่นี่ก็ยังออกอยู่คือเขาจะจัดสรร4ชั่วโมงเขาจะจัดเทศแต่และกันแล้วกันแล้วกันมารวมกันให้ได้4ชั่วโมงพราะ4ชั่วโมงเขจะออกเริ่มออกตีห้าพอตีห้าแล้วก็ไปถึงเก้ามงเช้าพอเก้าโมงเช้า ก, ก็ลันอีกลันกลับ พอลันกลับไปออกไปถึงบ่ายโมงแล้วก็ลันกลับอีกบ่ายห้าโมงเย็นแล้วก็ลันกลับอีกไปถึงสามทุ่มลันกลับอีกไปถึงตีหนึ่งลันกลับอีกไปถึงตีห้าแปลว่าชุดนั้นเอาออกละสี่ชั่วโมงนะเอาสี่ชั่วโมงใหม่เข้ามาอีกไงนี่แหละเดี๋ยวนี้กําลังนั้นอยู่ทําลังออกอากาศอยู่ถ้าว่าผู้ใดอยากจะฟังเทศหลวงพ่ออินก็ฟังได้นะ ในสถานีวิทยุไทยคมเหมือนกนน่ะพูดตลอดเลยน่าสงสารหลวงพ่ออินเหมือนกันนะ่ะพูดทั้งวันทั้งคืนนะคงจะเหนื่อย ห, หน้าดูเหมือนกันนะ่ะฟังดูนะหลวงพ่อฟังอยู่หลวงพ่อกเ็เปิดเปิดฟังดูเสียงก็เสียงดังฟังชัดนะเหมือนกะับเอ็มพสาหลวงพ่อเนี่ยเสียงดังฟังชัดเหมือ น, นนแะต่สรุปแล้วก็คือพวกเราท่านทั้งหลาย จะมีสติปัญญารอบข้อรอบรู้ได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่ถ้าว่าไม่ได้ยินได้ฟังจะฉยบพู ร, รู้แจ้งหมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงเทศนาว่าการเดิม อ, อบรมพระสงฆ์ของพระ อ, องค์ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็ได้รับ ความรู้ความฉลาดมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านพวกเราก็ได้รับอบรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วก็เราเมื่อได้รับทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราแล้วก็ถ่ายทอดให้แก่พวกเราลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาญาติโยมเมื่อลูกศิษย์ลูกหาคณะศรัทธาญาติโยมได้รับการถ่ายทอดถ่ายทอดลงไปอีก แต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะคาดเคลื่อนบ้างคาดเคลื่อนบ้างเพราะเราตั้งสองพันกว่าปีแต่ถึงยังไงหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่หลักๆนะพระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาถึงสติปัฏฐานสี่นะกายเวทนาจิตธรรมให้ยึดเป็นหลักอิทธิบาทสี่นะขุดเครื่องให้สําเร็จความประสงค์ หรือว่าอริยะสัจ ส, สีทุกสภูมิไทยนิโรธมักแล้วก็มักแปดสมาธิิเป็นเบื้องต้นสมาสมาธิเป็นสุดท้ายไตรลักษ์ให้พิจารณาให้ม้วนเสื่อลงอันนีจังทุกขังอนัตตานะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือหลักใหญ่ในยังเหนียวแน่นเมื่อพิจารณาเมื่อไรเมื่อนั้นเราก็มั่นใจว่าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาของจริงมาพูด ไฟนะเราไปจับดูสมัยยุคสมัยนั้นก็ร้อนมายุคนี้ก็ยังร้อนน้ํำนะมันเย็นนะอยุคนั้นเขาก็ใช้น้ํามายุคของเราเราก็ใช้น้ำํำนี่แหละอาหารนะยุคนั้นเขาก็กินเรายุคมายุคนี้เขาก็กินข้าวทานอาหารเหมือนกัน เ, เพราะฉะนั้นธรรมะทำคาสอนของพระพุทธเจ้ายุคนั้นสมัยนี้ถ้าหลักๆนั้น พวกเรามั่นใจได้ว่าพระพุทธองค์ตรัสยังไงเรานำมาวิเคราะห์ดูแล้วเป็นไปอย่างที่พระพุทธองค์ทรงบัญจัดไว้แต่ที่ว่าพวกเราเกิดมาจุดท้ายภายหลังอาจจะมีบ้างที่ว่าคาดเคลื่อนคว่าคาดเคลื่อนคำนี้ก็คืออาจจะมีการแต่งเติมในพระไตรปิฎกอาจจะมีการแต่งเติมเข้ามาบ้างเพื่อให้มีรสมีชาติตามยุคตามสมัยอันนั้นก็คงมี เพราะมันยาวนานแต่หัวใจหลักๆนั้น เ, เราวิเคราะห์ดูแล้วทุกคนเข้ามาวิเคราะห์ดูแล้วเป็นของจริง เ, เห็นเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงนั้นก็จะรู้จริงเห็นจริงได้แต่ถึงยังไงอันดับแรกในหลักศาสน า, าไหนก็ตามพุทธศาสน า, าของเราก็ตามเขาก็จะต้องปลูกศรัทธาคือความเชื่อซะก่อน ถ้าเราไม่เชื่ออยู่ในใจมันก็เหมือนเป็นหลักหลักต่ออยู่ในจิตใจเพราะความไม่เชื่อในใจเนี่ยเหมือนกับกระลมังหรือกระป๋องแล้วโอ่งน้ำเล่าคว่มปากลงดินซะเอาก้นขึ้นฟ้าถึงจะน้ำตกกี่หากี่หากี่ครั้งกี่หนตกแรงมากมายขนาดไหน น้ำตุ่มนั้นก็ไม่สามารถที่จะรับน้ําได้เพราะเหตุไรเพราะมันคว่ำปากเนี่ยนี่ก็เหมือนกันท่าว่าพวกเราท่านทั้งหลายไม่เชื่อไม่เชื่อในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าศาสนาเพียงเป็นเครื่องหลอกลวงกันเท่านั้นเพื่อตล่อมให้คนเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็สอนให้ง่ายสักจูงไปสอนคนไปตามแนวแถวเพื่อให้ง่ายเอ จุดลกๆแล้วไม่มีอะไรศาสนาเพียงแต่ยึดเหนี่ยวเพียงแค่นั้นเองถ้าเราคว่ำปากอย่างนั้นแล้วเราไม่ได้วิเคราะห์ถึงจะพูดยังไงมันก็มันก็เพียงจุดนั้นเท่านั้นเองเพราะเหตุใดเพราะเราไม่เชื่อนะแต่ถ้าว่าเราหงายปากโอ่งฮะปากปากตุ่มปากโอง่งรองรับครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอย่างไรเราฟัง เราศึกษาธรรมะที่ไหนเราฟังพระไตรปิฎกพูดยังไงเราฟังเอ็สที่ครูบาอาจารย์แนะนำสัง่งสอนเราฟังฟังแล้วก็นำมาวิเคราะห์เพราะวิชาในโลกที่มีมากมายหลายหลายอย่างแต่หลักของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้ฟังได้ค้นคว้าศึกษาดูนั้น พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าพระพุทธเจ้าได้ตัดสรูุ้อะไรเนะี่ยที่พระาศาสนานี่ที่พระพุทธศาสานาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตัดสรูุ้อะไรได้บรรลุอะไรได้รู้แจ้งเห็นจริงเรื่องอะไรที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุในหนังสือใ น, ในพระไตรปิฎกเนะี่ยอันนี้ถ้าเราศึกษาเข้าไปดูเข้าไปแล้วพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าเท่าทุกวันนี้ถ้าเราถามว่า เพระพุทธศาสนาคือศาสนาอื่นศาสนาอื่นน่ยคือศาสนาแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยจะว่าเป็นศาสนาฝรั่งเขายังไม่ยอมรับว่าเป็นศาสนาให้คล้ายว่าเป็นปรัชญาหรือวชี้แนวทางให้คนเดินให้คนประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าจะว่าไปก็เหมือนวิทยาศาสตร์ไกลๆอย่างนั้นคล้ายๆว่านี่นะทุกนะถ้าคุณทําอย่างนี้นะคุณเล่นอบายมุกนะ คุณต้องทุกข์อย่างนี้นะคุณไปฆ่าเขานะคุณต้องติดโทษนะศีลห้านะถ้าคุณให้ทานนะถ้าคุณมีการเสียสละให้ชุมชนชุมชนก็จะให้ความสาคัญแก่ทุกแก่คุณนี่แหละพระพุทธศาสนาสอนให้มองและเห็นได้ชัดในผู้ได้ศึกษาและผู้ในผู้ปฏิบัติตามทำคำสอนนี่แหละพวกชาวต่างชาติหลวงพ่อได้ถามถามลงว่า คล้ายๆวะอย่างศาสนาอื่นเขาให้เชื่อเออให้เชื่อแล้วก่อนนะเขาก็พูดแบบอะไรอะไรก็โยนให้พระเจ้าซะจบลักษณะอย่างนั้นนะแต่พระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่อพระพุทธเจา้าเองนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อให้ปฏิบัติดูก่อนถ้าปฏิบัติดูแล้วนั่นอะถ้าเป็นผลอย่างไรยังค่อยว่ายังค่อยเชื่อ น, นี่แหละสารบุตร ที่เราพูดไปเนี่ยเธอเชื่อไหมภาษารลบุตรว่าอย่างพระเจ้าข่าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติดูก่อนข้าพระองค์ยังยังรับไปก่อนพระเจ้าข่านี่แหละอันนี้คือขนาดภาษาวก ข, ของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพองค์พูดไปแล้วก็ยังไม่เชื่ออ่ายังยังยังไม่ยอมรับทีเดียวมันว่าสารีบุตรไฟมันร้อนนะเนี่ยท่านเชื่อไหม อย่างพระเยาค่ะเพราะใครยังไม่ได้จับดูก่อนออย่างสายสายไฟทุกวันเนทุกวันเนี่ยนะสายไฟฟ้าเนะี่ยโหดไฟฟ้าทุกวั น, นเเนอถ้ามีคนถามว่าอันนี้ไฟนี่สายไฟสายไฟเนี่ยมัน ม, มันมีไฟนะอยู่แน่นั่นะเชื่อไหมอย่างครับจนกว่าไปจับสายไฟเมื่อไหร่ไฟมันดูดเตะ ลักแล้วเมื่ อ, อไรเมื่อนั้นแหละโอ้โหไฟมันมีจริงมาอยู่ในนี้ฮะจึงจะเชื่อเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยท่านท่านสอนอย่างนั้นแต่ว่าอย่างศาสนาอื่นเขาให้ตั้งความเชื่อขึ้นมาแล้วกันพูดเข้าไปเพราะนั้นฝรั่งเขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนกับเป็นข้อความหรือชี้นาของชีวิตคือพระพุทธเจ้า พ, พูดให้เห็นตามความเป็นจริง ว่าทําอย่างนี้มันเป็นโทษนะทําอย่างนี้มันเป็นคุณนะออย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาอตัดสรู้ทำในวันเดือนหกเพนพะระพุทธองค์ค้นคว้าศึกษาเรื่องอะไรได้ตัดสรู้เรื่องอะไรจุดนี้นะ่เป็นจุดที่พวกเราควรจะใส่ใจและควรจะศึกษาอพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วท่านวัดในกายในใจในร่างกายของเราเนะี่ยมีสอง มีกายกับใจแต่นามธรรมคืออยู่ในตัวของเราเนี่ยรูปธรรมคือร่างกายที่พวกเรามองเห็นกันนี่คือรูปธรรมแต่พระพุทธเจ้าให้ความสนใจเรื่องนามธรรมที่มองไม่เห็นคือใจนะั้นสำคัญมากกว่ามากกว่ารูปธรรมตัวนั้นเป็นใหญ่ในร่างกายของเราตัวนั้นะเป็นใหญ่ตัวนามธรรมน่ะเป็นใหญ่ มโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าถ้าตัวนั้นตัวใจนีนน่เป็นนักเลงหัวไม้ซะเป็นมิจฉาทิฏฐิซะร่างกายที่เป็นบริวารของใจตรงนั้นก่อนเป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยคำพูดก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยเพราะะไรเพราะใจดวงนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นไม่ถูกต้อง แต่ใจตรงนั้นเป็นสัมมาทิฏฐินามธรรมเป็นสัมมาทิฐิได้รับการอบรมได้รับการได้ยินได้ฟังและก็ศึกษาการกลองไตรตองด้วยเหตุและผลเข้าสู่จิตใจจิตใจเข้าใจอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรไม่ควรอันนั้นสูกอันนั้นต่าอันนั้นคือพระคุณพ่อแม่พระคุณของประเทศชาติอันนั้นบุคคลผู้มีอุปการะก่อนเราควรจะแสดงความกตัญญูกับต่วเวทีที่ตายอย่างไร ถ้าใจของเรารู้จักสิ่งควรไม่ควรแล้วการกระทําทางกายออก็รู้อันนี้ควรจะแข็งยังไงอันนี้ควรจะอ่อนอยังไงอันนี้ควรจะเคารพนบน้อมอยังไงอันนี้ควรจะวางตัวยังไงกับสิ่งนั้นๆเพราะใจเป็นหัวหน้าร่างกายก็วางถูกแต่ถ้าว่าใจของเราไม่ได้รับการดวกรงไม่ได้รับการศึกษา ร่างกายของเราก็แข็งคือไปอย่างนั้นอ่ะไม่รู้จักกาลเทศะบุคคลนี่แหละ พ, ะพระพุทธเจ้าจึงให้ความสําคัญเรื่องใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าต้องได้รับการอบรมต้องได้รับการได้ยินได้ฟังเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็การกรองไตรตรองและเหตุด้วยเหตุและผลจากนั้นก็การกระทําของเราก็จะเป็นคนดีการพูดออกไปก็เป็นเรื่องที่ดีถูกต้องตามกาลเทศะแต่ถ้าว่าพวกเรา อยู่ในนั้นพระพุทธองค์ก็บอกว่าอยู่ในใจดวงนั้นเถอะไอ้ตัวนี้ตัวนามธรรมจุดนั้นเนี่ยบางทีมันก็มีขึ้นมีลงเหมือนกันบางทีมันก็ฟุดขึ้นฟุดลงเหมือนกันบางทีมันก็ไหลไปทางโทรศัพท์บางทีมันได้ยินนี่ฟังมันไม่พอใจถึงจะเขาขึ้นมาก็อิจฉาเขาอีกต่างหากพยาบาทเขาอีกต่างหากโมโหโก้ทาให้เขาอีกต่างหากในใจดวงนั้นเพราะเหตุอะไรมันมีอยู่จุดนั้นเพราะมันมีกิเลส พระพุทธบอกอีกเพราะมันมีกิเลสมันมันไ ม, นมน่มันก็เลยไม่สแตนดาร์ะมั้งไม่สแตนดาร์ตเพมันมีกิเลสมันมีขึ้นมีลงอยู่ในบางทีก็รักเขาตัวรักนั่นคืออะไรคือตัวราคะนะอกิเลสราคานะ่ะตัวโมโหโทโสโกธาที่ใจร้อนอิจฉาพยาบาทคนนั้นอันนั้นคือกิเลสตัวโทสะไอ้ตัวอราคะเนี่กนนะัยไอรักชอบ ถ้าหากว่ามีความรักมีชอบแล้วเป็นยังไงยังไงก็ยังยั ง, ย ง, ยงรักยังชอบไงเพราะอะยอันนี้คือตัวราคะตัวโลภมันเป็นไงเห็นมีแต่อยากจะได้อย่างเดียวมีแต่อยากอยากอยากอยา ก, ยากในจิตในใจไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้คือตัวโลภนะตัวโกรธนะแต่ตัวหลงนั้นตัวหลงมันเป็นพื้นนะเป็นพื้นฐา น, น่ะอมันหลงซะก่อนมันหลงซะก่อนมึงมันจึงโลก มันหลงซะก่อนมือจึงโกรธมันหลงซะก่อนมึนงจึงรักเพรา อ, อะไรเพราะความหลงเป็นพื้นฐานพระพรทองค์จึงจะพิจารณาจะทำยังไงจะแก้ความหลงของตนเองได้เาะความหลงคือความโง่ความโง่คือความไม่รู้นั่นแหละแต่เมื่อเรารู้แล้วเราก็ฉลาดแต่ถ้าเราไม่ยังไม่รู้เราก็โง่อยู่ตลอดไปเหมือนกับเราเรียนหนังสืออย่างแต่ก่อนเราไม่ได้เรียน a b c d กอไก่ขอไข่ เราก็ไม่รู้แต่เมื่อเราเรียนรู้แล้วเออความฉลาดก็เกิดขึ้นมาในใจดวงนั้นละ่ะเรียนรู้แล้วเอออันนี้คือกไก่มีความหมายยังไงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม ม, าา a, b, C, d, มีความหมายว่ายังไง a b บ d ซดีมีความหมายว่ายังไรเราจำได้แล้วเนี่ยความฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วความงโง่ที่มันไม่เคยจดจำมาแต่ก่อนไม่เคยรู้มาก่อนมันก็หายไปนี่แหละพระพุทธองค์บอกว่าในเมื่อได้พิจารณาตามธรรม แล้วไปพิจารณาไก่กลองไตรตองด้วยมรคแปดแล้วกันกรองด้วยมรคแล้วจะได้บรรลุธรรมได้ตัดสรู้ธรรมตัดกิเลสภายในใจกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจจิตใจเป็นอิสระจิตใจเป็นไทยจิตใจเป็นธรรมจิตใจไม่ติดไม่คล่องกับกิเลสราคะโทสะจิตใจเป็นอิสระเหมือนกับ ยาณวากาศออกจากโลกอย่างนั้นอ่ะโลกไม่ดึงดูดโลกทั้งหลายก็คือกิเลสราคะโทสะมันดึงดูดแต่พอออกจากโลกแล้วอิสระใจของเราเนี่ยเป็นอมตะธาตุอมตะธาตุอมตะ ธ, ธรรมคือธทำที่ไม่มีกิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพระพุทโธได้ไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าหลวงพงไพ่ถึงหกปีนะี ไปค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณสรุปแล้วคือเรื่องของใจในเมื่อใจอบรมดีแล้วใจเป็นพระพโพธิเจ้าแล้วใจเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจากนั้นกายของพระองค์ก็เป็นกายของพระโพธิเจ้าวาจาของพระองค์ก็เป็นวาจาของพระโพธิเจ้าตรัธรรมบทไหนออกมาก็เป็นที่ยอมรับเพราะใจของพระองค์เป็นธรรมการกระทําสิ่งไหนก็เป็นธรรมเพราะเหตุใดเพราะใจของพระองค์เป็นธรรม เป็นบัณฑิตเป็นนักปราบถ้าใจเป็นภาระชนกับเหมือนกับเทวทัตนี่ยคิดอะไรออกมามีแต่คิดจะเบียดเปลี่ยนคิดออกมันมิตรจะรัดเอาเปรียบคิดยังไงออกมามีแต่พยายามพยาบาทอาฆาตจองเวรอยู่ตลอดอันนั้นคือใจใจที่มีกิเลสใจเหมือนใจเทวทัตใจไม่ได้รับการอบรมมีแต่ส่งเสริมไปในทางช่วยช้าเสียหายเพราะฉนั้นหลักของพระพุทธศาสน า, ศ า, ศาศ ร, รมคําสอนของพระพุทธเจ้า พวกเราให้เอาธรรมะเข้าสู่จิตใจอันไหนควรไม่ควรอย่างไรถูกต้องและไม่ถูกต้องอย่างไรฝืนใจตนเองนะการฝืนไปในทางที่ดีนั่นแหะคือธรรมะถ้าเราตามใจของตอนเองนั่นคือกิเลสกิเลสทางต่ำเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะสัทธาญาติโยมทุกคนพระเนมทุกองคการประพฤติปฏิบัติทมให้ฝืนใจตนเองนั่นะสิ่งไหนที่มองดูแล้วมันไม่ถูกหน้าจุดเนี่ย อยากไปก็ไม่ไปอยากจะพูดก็ไม่พูดอยากจะทำก็ไม่ทำเพราะพิจารณาดูแล้วมันเสียหายนี่แหละอันนี้ก็คือฝืนใจตัวเองไม่ใช่พูดตามอำเภอใจทาตามอาเภอใจคิดตามอาเภอใจขนาดความคิดก็ยังไม่คิดคิดออกนอกดูนก่นอกทางจะบังคับให้มันคิดพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตใจรวมสงบบังคับให้จิตใจได้พักผ่อน ถ้าเราจริตใจไม่พักผ่อนคิดปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลาใจก็หมดกําลังเหมือนกันพอใจหมดกําลังกับใจล้าพอใจล้าเข้ามาแล้วที่นี่นั่นนะหละจิตใจเบื่อนะไม่เบื่อค่อยๆว่ามันไปทางกิเลสเลยนะเหมือนกับคนเหนื่อยล้าทํางานอย่างนั้นน่ะเอสเปะสะปะไปเรื่อยแล้วทีนี่เออเอเอเหยื่อไปเรื่อยลอยลงไปเรื่อยเหมือนกับว่าวเชือกขาดมันไม่ดี พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ดีเพราะนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะให้พยายามดูใจของตนเองการที่จะดูใจของตนเองแล้วทำอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าเป็นการฝึกฝึกตัวเองคนที่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์แล้วไปในสถานที่ใดก็อะเป็นคนมีสติดูแล้วสวยงามแต่คนขาดสติ เหมือนกับเราเห็นคนขาดสติตามถนนหนทางนะผมยาวๆนะีน่นแหละคนขาดสติมากๆกนะันเราไม่น่าดูพูดอะไรพูดให้ไปทางหนึ่งถามพูดไปทางหนึ่งเอถามอะไรก็าใหม่รู้เรื่องอต่างๆนะเพราะอะไรเพราะสติไม่อยู่กับตัวของเขาเนี่แหละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ฝึกสติให้เข้มแข็งเเป็นประโยชน์ของเราเป็นประโยชน์ต่อเรานานเท่านานจนแก่เท่าชราก็ยังมีประโยชน์สําหรับเราะ เระนั้ขอให้พวกเราทุกท่านนะการฝึกสติฝึกอย่างไรพระพุทธเจ้าไปฝึกที่ท่านที่โคลนต้นโพนะ ท, นท่านกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะเป็นหลัก น, นั้นคือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่กรรมฐานหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นของเราท่านให้ภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทธโทแต่ลมหายใจเหมือนกับกันพุโทโธพุโทโธให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออก นี่แหละวิธีการฝึกจิตนะฝึกใจเมื่อใจของเราอยู่กับตัวแล้วแต่นี่อมองเห็นตัวเองแล้วแต่นี่จะพิจารณาทำบทอื่นต่อไปค่อยศึกษาไปแต่นี่นี่แหละธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเราจะรู้ทีเดียวก็จะจบไม่ใช่ต้องเรียนต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆอันนี้พระพุทธเจ้าสอนมีความหมายยังไงมีคุณค่าอ ย, ย่างไรต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องตน้น พวกเราต้องศึกษาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้ว เ, เราปิดหูปิดตาถ้าไม่เชื่อซะเหมือนกับเราควา่ำโอ่งน้ําอย่างนั้นะลงดินอย่างนั้นไม่ยอมฟังใครเราจะเกิดสติปัญญาได้อย่างไรแต่ถ้าเราหงายปากขึ้นมาเราฟังทำคําสอนของพระไตเจ้าหรือพระแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนนั้นมีเหตุมีผลอย่างไร ท่านก็สอนเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่การอยู่ด้วยกันตั้งแต่ศีลและธรรมตออลอดถึงแนวความคิดท่านจะสอนไปเรื่อยๆจนถึงปล่อยวางอย่ายึดมั่นถือมั่นนะเน้อโรคไงไม่ใช่ของเรานะเราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ยังไงขนาดร่างกายของเร า, าเป็นของเราออกมาจากท้องแม่แท้ๆท้องพ่อท้องแม่แท้ๆอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องทิ้งนะจะต้องทิ้งนะจะต้องทิ้งทั้งหมดนะ มันไม่ใช่ของเรานะเนี่แหละหลวงพ่อได้อ่านหนังสือเ อ, อคนจี น, นเขาพูดฟังฟังดูคนนึกนึกเออแต่ตามไม่จริงเขาก็เปรียบเทียบนะ เ, เขาบอกวันนี้นะยมมุทูตบอกแล้วบอกกล่าวแล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะยมมุทูตบอก อ, อคนที่ไปหายมมุทูตที่ตายไปแล้วก็บอกคุณไม่เห็นบอกท่านยมมุทูตว่ากล่าวเตือนแล้วทาไม ไม่บอกกล่าวโยมมาทูดบอกว่าอ้าวบอกแล้วทําไมจึงไม่บอกเอคุณเมื่ออ่านหนังสือเน่ะเออ่านหนังสือไปเนี่ยเอเป็นยังไงตาของคุณได้ใส่แว่นเมื่อไหร่คนนั้นเขาบอกผมใส่แว่นเมื่ออายุห้าสิบปีเพราะผมอ่านหนังสือเอไปดูหนังไปดูนั้นแล้วมันไม่ชัดมันภาพผมก็เลยได้ตัดแว่นใสนั่นแหละเราเตือนไปแล้วนะ ยอมมาทูดมาเตือนน่นนะคือจดหมายเตือนแล้วงั้นนะ่ะเพราะนั้นอย่างหลวงพ่อใส่แว่นเนะยยมาทูดเตือนแล้วนะยอมมาทูดเตือนแล้วให้ระวังนะหลวงพ่ออินนอะแก่แล้วนะยอมมาทูดเตือนอจะนะั่นเตือนที่ฉบับที่สองนะ่ะก็คือเมื่อฟันหลุดนะัะนแหละคุณไปแทะกระดูกไก่ที่ลูกสาวมาเลี้ยงวันเกิดกระดูกฟันหักไปเนะี่ยแล้วกระดูกฟันหักนะมันปวดไหม ครับนั่นแหละจดหมายฉบับที่สอ ง, ยม ม, ออสงยมมาทูดบอกเลยแสดงว่ายมาทูดเนี่บอกเรื่อยๆแต่เราไม่ยอมฟังเนี่ยดื้อด้านเหมือนกันะต่โย ม, มาทูดเขาบอกเลยพ่อที่สูงผมงอกผมขาวขึ้นเลยเตือนเรื่อยๆเหมือนกันแต่เราไม่สนใจดูน่ยพ่อพี่สูงก็พอตายไ ป, ไปแล้วกันไปดุดาให้ยมมาทูดทิ้ทมาทูดน่ยใจดำเหลือเกินก่อนที่จะเอาผมมาเนี่ยไม่เห็นบอกเก่าอะไรเลย เงินบัญชงบัญชีผมก็ไม่ได้มอบไม่ได้หมายไม่ได้ฝังให้แก่ใครไปว่าให้เขาอีกนะเด็กพวกโดยมากมันคนเรามันไม่มองตัวตัวเองเลยมันจะไปเห็นเห็นแต่โทษคนอื่นว่างั้นเด็เห็นแต่โทษคนอื่นว่าเขาบกพร่องเขาไม่มีน้ําใจเขาไม่มีเมตตาเอแต่ทำให้จริงโยมบรรทก็สอนแล้วอสอนนะเดี๋ยวก็ทําผมงอกให้เห็นเดี๋ยวก็ทําฟันรุดให้เห็นนยแต่เราไม่ยอมฟังเพราะนั้นพวกเรา ดูนะเนยนี่แหละยมมาทูดเตือนอีกสักวันหนึงจบจุดจบแน่ๆนะแต่จุดจบเราเราจะไปที่ไหนเท่านีเพราะนั้นเราต้องศึกษาต้องศึกษาต้องฟังแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังแนวแถวของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ า, าท่านสอนอย่างไรให้ยึดมั่นอะไรให้ปล่อยวางยังไงให้ปฏิบัติตนยังไงให้คิดยังไงให้พูดยังไงให้ทำยังไง ถ้าเราศึกษาแล้วเราจะสบายใจจิตใจของเราจะเข้มแข็งเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยหลวงปู่หลวงตาท่านเข้มแข็งนะอย่างหลวงตามหาบัวเนยท่านป่วยขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าไปท่านรักษาเนี่ยจะหายได้หมอเขาว่าจะหายได้กรับผมท่านคนหนึ่งอายุขนาดนี่ยเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดปีแล้วเนี่ยพอแล้ว เอาไปอะไรมากมายนักหนามันพอแล้วเพราะนั่นเราไม่เราไม่เอาแล้วไม่ยุ่งเออเท่าไรก็เท่านั้นแหลนะฟังสิท่านผู้มีธรรมฟังดูแล้วโอ้โหหลวงพ่อในี่ยึกเลยวงั้นเออที่ท่านพูดขึ้นมาท่านอายุถึงขนาดนั้นท่านว่าพอแล้วเออแต่พวกเราท่านทั้งหลายนี่ถ้ามีขึ้นมาอย่างนั้นเราจะคิดว่าจะพอไหมโอ้ยลูกเอ้ยเงินของปู่ของย่าอยู่ที่นั่นได้ไป พาปูพายาไปหาหมอด้วยเถิดเอ่อกวนกวายกระเสือกกระสนอยากจะอยู่เป็นร้อยเป็นพันปีนั่นน่ะเออเพให้อะไรเพราะไม่รู้จักพอเหมือนกันเอเอขนาดนั้นพอแล้วเออเอาขนาดไหนอีกพอแล้วอืไม่ต้องยุ่งกับมันหรอกถึงเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละนะโอ้หลวงพ่อฟังแล้วนี่เนีน่ยนะผู้มีธรรมนะเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเออให้คิด อย่างถึงที่ลงตาคิดถ้าไม่คิดอย่างลงตาคิดก็เอานิดหน่อยของลงตามาปฏิบัติตนให้เป็นผู้อดทนเป็นผู้นิ่งเป็นผู้สงบเป็นผู้อไม่กระวนกวายไม่ทําให้ลูกหลานเดือดร้อนเมื่อเมื่อเท่าแก่ชรานับว่าดีดีโขแล้วว่าไงแต่แต่เท่าเท่าแก่ชรามาตีโผย่ตีภายนะั้นไม่ดีนะเพราะนั้นในพวกเราเตรียมเตรียมใจเอาไว้นะถึงจุดจบแน่นอนนะ ไม่ใช่เอาความตายมาขู่กันนะพูดความจริงให้กันฟังเหมือนกนะันเตือนกันเอาไว้ว่าชีวิตของพวกเรานะ่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะวันหนึ่งแน่ๆนะคิดดูกันแล้วกันปู่ย่าตายายของเราไปไหนเราจะเป็นจะอยู่โชฟ้าดินสลายได้ยังไงเราต้องยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนถ้าสอนพวกเราจะเข้มแข็งเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวาง ถึงคราวแล้วเหรอขราวแล้วก็เท้งแจะทำยังไงได้เกิดมาตายนะต่อนนี้ไปรับพร น, นะเจเนน่า